ธรรมโมธรรมโมธรรมโมฟังแล้วถ้ามันยังไม่เข้าใจตะบูฟังให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าธรรมโมคือพระธรรมคือธรรมะนี่แหละเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเตรียมมา้คนคว้ามาด้วยปัญญายิง่งลองทำมาทุกอย่าง เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้แหละจึงเป็นผู้จำแนกแจกธรรมเหตุอย่างนี้อย่างนี้ที่ได้คิดค้นใครกรวนทำใจที่ร่องอยู่ให้มันเต็มขึ้นโดยการสะละสิ่งที่ดีๆเอาสิ่งที่ดีๆให้คหนอื่นเขาไปบ้างเห็นตอนดีโพธิชัดเป็นเวสันดรเพื่อทำใจที่ร่องอยู่คี่ว่ามันจะตระณีเอาของดีๆเอาไว้ก็สะละสิ่งนี้ออก ทำใจที่ปรองอยู่ให้เต็มขึ้นทำเป็นตัวอย่างคิดคน้คนค้นคว้าหาข้อมูลจึงได้มาเป็นพระธรรมการกำหนดบทเพ็ช่ชนะก็มีการใกร้กรวนพิจารณาอย่างดีกำหนดสมาธินิมิตทุกครั้งในคำพูดจึงออกมาเป็นพระธรรมได้จึงออกมาเป็นธรรมโมได้จึงออกมาเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนมรดกที่ทิ้งไว้ให้เราได้ เป็นธรมมธรมโมธรรมโมธรรมโมฟังครั้งเดียวมันไม่ซึ้งต้องฟังสามราบอบถ้าฟังว่าคำว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วมันไม่ใช่เรื่องธรมธรมดาธรรมดาเอาสิ่งที่เป็นธรรมะเอาไปสิ่งที่เป็นธรรมโมมาไว้ในใจของเราเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เรามีสติตั้งขึ้นเอาไว้ระลึกถึงลมหายใจของเราระลึกถึงลมหายใจก็ได้ ระลึกถึงพระธรรมก็ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้สติตั้งขึ้นไว้อย่างนี้เห็นสิ่งใดๆที่มากระทบคุณมีสิทธิที่จะเห็นธรรมะมีธรรมโมอยู่ในใจได้มันต้องระวังตรงนี้ต้องระวังให้ดีเพราะว่าบางคนถ้าเผื่อว่าไม่มีสติมีสติลืมหลงเห็นสิ่งที่เป็นบาปอาคติสารธรรมเช่นบางคนทำความชั่ว ทำความผิดรักขโมยบ้างพูดด่ากันว่ากันออกทีวีบ้างคนที่ถ้าบอกว่าไม่มีสติขาดสติเห็นสิ่งนี้แล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่ต้องโต้ตอบถ้าเห็นว่าจะต้องเป็นการโต้ตอบเป็นการที่จะต้องตกเถียงกันให้มีการชนะอย่างใดอย่างหนึ่งเขาไม่เรียกทำโมวทำฟังเขาเรียกทำมัวแต่ถ้าบอกว่าเรามีสติตั้งขึ้นเอาไว้ ตั้งขึ้นเอาไว้อย่างดีโดยการระลึกถึงลมหายใจอย่างที่เราระลึกถึงอยู่ตอนนี้หรือว่าโดยการระลึกถึงคุณของพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเป็นของที่รู้ได้เฉพาะตนเป็นของที่ควรเชิญกันคนเข้ามาดูเรารู้เราเห็นตั้งสติไว้อย่างนี้เราจะรู้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เราเห็นที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่เป็นสิ่งที่ควรจะต้องมา ทำการละเสียถ้าบอกว่าเห็นเกิดขึ้นในใจของเราเราจะต้องไม่ทำเห็นคนอื่นทำชั่วทำบาปทำความผิดเราจะไม่ทำเห็นคนอื่นมีมิจฉาทิฏฐิเห็นคนอื่นไม่มีความเพียนเป็นคนเกียจคร้านเราจะต้องขูดกล่าวว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิเราจะต้องขูดกล่าวว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีความเปลี่ยนอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรม หรือในเรื่องของกุศลอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าบอกว่าคนที่ขาดสติไม่มีสติตั้งขึ้นเอาไว้เห็นกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึง่งก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันดีควรจะกระทําถึงเห็นตัวอย่างที่เขาทําดีๆเช่นเขาบอกว่ามีผู้โดยสารลืมของไว้ในแท็กซี่คนขับรถแท็กซี่เอาไปคืนเจ้าของคนที่เห็นอย่างนี้แต่ยังบอกว่า โอมันไม่ฉลาดนะทำไมไม่เก็บเอาไว้แสดงว่าขาดสติแสดงว่าไม่ได้เห็นธรรมไม่มีธรรมโมอันนั้นก็คือธรรมมืนไม่รู้ว่าสิ่งนี้ดีควรทำไม่รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีไม่ควรทำเห็นกุศลอกุศลอยู่ต่อหน้าต่อตาก็ไม่รู้ว่านี้เป็นกุศลควรทำนี้เป็นอกุศลไม่ควรทำเห็นอย่างนี้ไม่เรียกเห็นธรรมตามฟังเขาไม่เรียกว่าเห็นธรรม เขเรียกว่าไม่เห็นธรรมเห็นธรรมอยู่ก็จริงแต่ไม่มีธรรมโมแต่คนที่มีสติมีสติตั้งขึ้นเอาไว้อย่างเราๆท่านๆพยายามที่จะมาฟังรายการธรรมะมีสติตั้งขึ้นอยู่ในลมหายใจเห็นสิ่งที่เป็นกุศลก็รู้ว่านี้เป็นสิ่งที่ควรทำเห็นสิ่งที่เป็นอกุศลก็รู้ว่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเห็นคนขับแท็กซี่เก็บของในแท็กซี่คืนเจ้าของได้ ก็ยกยอกในความดีความงามที่ดูแล้วเหมือนเล็กน้อยแต่จิตที่มีธรรมะธรรมโมอยู่ในใจทำฟังไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะบางทีฟังครั้งเดียวมันไม่เข้าใจมันต้องฟังซึงสามครั้งว่าธัมโมธรมโมธ ร, รมโ ม, รร ม, โมคือการแยกแยกออกให้ได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเห็นสิ่งไม่ดีก็อย่าเอามาไว้ในใจเห็นสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างดีๆเอามาไว้ในใจถึงจะู ยมึนอย่ามึ น, มนเพราะว่าถ้าเมื่อไรเรามึนเราอาจจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นความสุขนั้นเราควรจะต้องได้ควรจะต้องมีมันเริ่มมึนเพราะานั้นไม่ใช่ธรรมะแต่เป็นธรรมมั่วเวลาที่เราเห็นสุขเวทนาเกิดขึ้นเราอยากที่จะได้สุขเวทนานั้นบางคนแม้แต่สุขที่ในสมาธิเกิดขึ้นจากสมาธิมีปีติมีความสุขอยู่ในใจถ้ามีความอยากที่จะได้อย่างนั้นอีก อันนั้าก็ทำมั่วละไม่ถูกละแต่เพราะว่าความสุขเป็นหนึ่งในอริยสัจข้อหนึ่งท่านผฟังที่ว่าเมื่อเราเห็นแล้วสัมผัสแล้วรู้สึกแล้วถ้าเห็นธรรมะในความสุขนั้นจริงๆจะต้องรู้ว่าความสุขเป็นสุขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นภายในก็ตามเป็นภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตาม ในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเนี่เราไม่ใช่ว่าเราจะต้องอยากได้สิ่งนั้นหรือว่าอยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาอีกแต่สิ่งที่ถ้าคนมีธรรมะมีสติตั้งขึ้นเอาไว้จะรู้เกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นสุขเวทนานั้นก็คือจะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทําความเข้าใจให้มีความแจ่มแจ้งเวทนาด้วยบังความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขเวทนา เป็นสิ่งที่ควรทำความเข้าใจเป็นสิ่งที่ควรรอบรู้อย่างนี้เขาเรจะเรียกเห็นธรรมแต่เราอยากจะได้สุขยังไม่เรียกเห็นธรรมยังไม่เรียกว่าทำโมอยู่ยังเรียกว่าทำมั่วหรือแม้แต่ความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งนั่งสมาธิบางทีมันปวดขาปวดหลังหรือว่ามีความทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจากภายนอกกินอาหารไม่อร่อยเขาด่าเขาว่าเรา เรามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าเผื่อว่าเราไม่อยากได้ความทุกข์นั้นไม่อยากได้หละความทุกข์แม้อยากได้ความสุขอันนี้เขาไม่เรียกเห็นธรรมตาำวังก็เรียกธรรมมั่วเพราะว่ามึนๆมั่วๆว่าไอ้ความสุขความทุกข์น่ยไม่ใช่ว่าความสุขแล้วอยากได้ความทุกข์แล้วไม่อยากได้ถ้าเห็นอย่างนี้ยังทําไม่ถูกยังไม่เป็นธรรมโมแต่เป็นธรรมมั่ว เพราะว่าถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราก็อยากจะให้มีแต่ความสุขความสงบอยู่ในใจนั่งสมาธิแล้วเราก็ไม่อยากให้มีความฟุ้งซ่านไม่อยากให้มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นทางกายอย่างนี้ เ, เรียกว่ายัางเข้าใจไม่ถูกแต่คนที่มีธรรมโมมีสติตั้งขึ้นเอาไว้เข้าใจธรรมโมธรรมะอย่างถูกต้องนั้นจะรู้ว่าความทุกข์นั้นก็คือสัจจะอย่างหนึ่งเป็นทุกขารยสัตย์ เป็นสิ่งที่คุณจะต้องรอบรู้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำความเข้าใจนะว่าสุขและทุกข์มีสภาวะอย่างเดียวกันเป็นลักษณะของทุกขาริสัตยเป็นสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นได้ดับไปได้ตามเหตุตามปัจจัยของมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเป็นอนัตตาสิ่งใดที่เป็นอนัตตาสิ่งนั้นเราควรจะต้องทาความเข้าใจว่า ให้มันเป็นอนัตตาได้ยังไงอะไรมันเป็นเหตุเกิดของมันอะไรเป็นความดับไปของมันทำความเข้าใจแล้วทรโมจะเกิดขึ้นในใจส่วนสิ่งที่เป็นความอยากอยากจะได้สุขส่วนสิ่งที่เป็นความไม่อยากไม่อยากจะได้ทุกข์ไอ้เจ้ายากและไม่อยากก็มีธรรมชาติอย่างเดียวกันซึ่งมันไม่เหมือน ก, นกันกับเจ้าความสุขและความทุกข์แนะ่ความสุขและความทุกข์มีธรรมชาต เป็นลักษณะของความทุกข์ที่เราจะต้องทําความเข้าใจทำความรับรู้ให้เกิดขึ้นเจ้าความอยากและความไม่อยากก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีความดีดดิ้นมีความแผ่ซ่านไปมีความรัดรึงเป็นยางเหนียวเป็นสิ่งที่จะคอยเชื่อมจิตใจของเราให้อยู่ในภพเป็นสิ่งที่จะคอยเชื่อมจิตใจของเราให้มีความยึดถือในความสุขให้มีความยึดถือในความทุกข์ในลักษณะที่เป็นไปเพื่อความอยากได้บ้าง ในลักษณะที่เป็นไปเพื่อความอยากที่จะไม่ได้บ้างให้ธรรมชาติแบบนี้เป็นธรรมะแบบนี้เป็นสิ่งที่ควรละเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะต้องทําให้มันเกิดมีขึ้นในใจเราเห็นอย่างนี้ชื่อว่าเห็นธรรมะท่านผู้ฟังเห็นความอยากนี่แหละเห็นความอยากที่เกิดขึ้นในใจนี่แหละเห็นความไม่อยากได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจนี่แหละเห็นทั้งความอยากและความไม่อยากให้มันถูกว่า เป็นสิ่งที่ควรละเสียเป็นธรรมชาติที่มีลักษณะอย่างเดียวกันเป็นของที่เป็นยางเหนียวมีธรรมชาติแผ่ซ่านไปรัดรึงสิ่งต่างๆเป็นเครือข่ายเห็นแล้วให้ขยักขยงให้กลัวให้พยายามที่จะลบมันเสียอันนี้เขาชื่อว่าเห็นธรรมะทำความเข้าใจครั้งหนึ่งจำฝังธรรมโมธรรมโมธรรมโมเนี่เกิดขึ้นในใจต้องเห็นให้ถูก ว่าสิ่งใดควรทำความเข้าใจควรทำความจำแจ้งควรทำความรับรู้สิ่งใดควรที่จะละเสียควรที่จะขยักแยงควรที่จะหวาดกลัวไม่ควรทำไปในใจแบ่งให้มันถูกอย่ามั่วอย่ามึนพอทำมัวทำมึนเป็นทำมั่วเป็นทำมึนแต่ถ้าเราแบ่งให้มันถูกว่าสิ่งที่เป็นสุขและสิ่งที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราเกิดขึ้นในกายของเรามีเป็นธรรมดา มนุษย์สุขก็มีทุกข์ก็มีคละเคล้าปะปนกันไปแค่ปวดปัปปปสสาวะนี่มันก็ทุกข์แล้วทุกข์สุขเกิดขึ้นในกายของเราในใจของเราเนี่ยมันทํำยังไงล่ะไม่ใช่ว่าอยากให้ความสุขเกิดขึ้นในชีวิตของฉันฉันจะต้องมีความสุขมากๆทางกายก็ตามทางใจก็ตามอยู่บ้านก็อยากให้ครอบครัวมีความสุขเกิดขึ้นเอาเอเข้าใจให้ถูกนิดหนึ่งนะหรือมาวัดก็ยังพกความอยากมาอยากทํา สมาธิให้มันมีใจสงบอ่าวอาวเข้าใจมันถูกนิดหนึ่งนะแต่ว่าความสุขและความทุกข์อย่าเอาไปติดกับความอยากเพราะว่าถ้าสุขและทุกข์ติดกับความอยากเมื่อไหร่สุขและทุกข์นั่นแหละมันจะกลายเป็นความทุกข์ของเราทันทีแสดงว่ายังไม่เห็นธรรมยังมึนอยู่ยังมั่วอยู่แต่คนที่เห็นธรรมคนที่มีธรรมโมอยู่ในใจจริงๆมีส ต, ติตั้งขึ้นเอาไว้ไม่ลืมหลง มีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมันเดียวจะสามารถแยกแยะเห็นออกได้ว่าความสุขทางกายความสุขทางใจความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นในกายเกิดขึ้นในใจของเราจะอยู่ที่บ้านก็ตามอยู่ที่วัดก็ตามนั่นเป็นสิ่งที่เกิดได้นับได้บางทีสุขมันก็ไม่มี ห, มหรอกบางทีทุกข์มันก็ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดหรอกเกิดเกิดดับดับเปลี่ยนแปลงไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เปลี่ยนแปลงไปได้ เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยปาาเจ้าความอยากเอาไปก่อนความอยากแยกเอาไปก่อนความอยากและความไม่อยากแยกไปส่วนหนึ่งก่อนเอาทำความเข้าใจเรื่องความทุกนี้ให้ได้ก่อนพยายามให้เห็นธรรมโมตรงจุดนี้ให้ได้ว่าทุกขาริยสัตว์เป็นสิ่งที่ควรรอบรู้อันนี้เป็นคำพูดที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ครั้งแรกที่ป่าอิศิปตนะมฤคตัยวันบอกว่าความทุกข์คือสัจจะ ที่ควรจะต้องทําความรอบรู้ความทุกข์เป็นสัจจะที่ควรจะต้องทําความเข้าใจนั่นเองแยกเจ้าความอยากเอาไว้เพราะความอยากมันไม่เหมือนกับความทุกข์ความอยากเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นเหตุทําให้เกิดความทุกข์ความอยากคือเหตุของความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ควรละเสียเป็นคนละอย่างกันอย่าเอาไปติดกันมันจะติดกันอยู่เรื่อยถ้าติดกันแล้วมันจะมึนพอคนมึนแล้วมันก็จะทำโม่หม้อ รูปๆกลมๆทำผิดๆถูกๆก็จะยังไม่เรียกว่ามีธรรมโมอยู่ในใจเพราะว่าถ้ามีธรรมโมแล้วมีส ต, ติตั้งขึ้นแล้วเราจะเห็นแยกแยะด้ว่าเจ้าความอยากนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอีกธรรมชาติหนึ่งที่มีธรรมชาติลุกลี้ลุกลนมีธรรมชาติเหนียวเป็นของเหนียวเป็นของแผ่ซ่านเป็นของที่หนืดเป็นของที่ร้อยรัดรึงรัดสัตว์ให้เข้าไปยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต้องควรละเสียควรจะต้องละสิ่งที่เป็นความอยากในสิ่งนั้นอยากในสิ่งนี้อยากได้ความสุขอยากที่จะไม่ได้ความทุกข์ต้องละมันเสียอย่างนี้ก็ได้ว่าเห็นธรรมะเราเห็นคนที่เขาทําความดีความงามอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นการที่รักษาศีลก็ตามเป็นการที่เขาจะไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันการเจริญเบานาเจริญสติเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นก็ตาม หรืเห็นเวลาที่เขาให้ทานเวลาที่เขาทําบุญบริจาคงานกตินงานผ้าบาหรือในมูลนี้ที่ใดมูลนี้ที่หนึ่งเห็นสิ่งนี้แล้วเราคิดว่าเออฉันก็ควรจะต้องทํานะฉันควรจะต้องควนควายทําให้เกิดมีในในจิตในใจในกายของเราอันนี้เขาเรียกว่าเห็นธรรมอันนี้ดีแต่เพราะว่าเรื่องของทานศีลภาวนาเรื่องของศีลสมาธิปัญญา เรื่องของจิตเรื่องของปัญญาเรื่องของการทำความดีทางกายทางวาจานั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้มันมากๆทำให้เจริญทำให้เกิดมีทำให้เจริญก็คือพัฒนามันยิ่งขึ้นทาให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าตัญหาคือธรรมชาติที่เป็นอย่างเหนียวเป็นเรือข่ายแผ่ซ่านไปรึงรัดสัตว์ให้มีความยึดถือนั้นมันจะแทะจะลอกจะสลัดออกมันไม่ได้มันเหนียวติดมือติดกายติดใจของเราอยู่ เราจะมีเครื่องแซะเครื่องล้างเครื่องลอกออกได้ก็เจ้าสิ่งนี้แหละคือศีลสมาธิปัญญาเป็นทำเครื่องขูดกล่าวขูดอะไรออกขูดกิเลสออกขูดตัณหาออกขูดเจ้าเหตุของความทุกข์นั่นแหละออกสิ่งที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานั้นพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเป็นสัจจะที่ทําให้ถึงความดับของเจ้าตัณหาเนี่นเองสัจจะที่ทําให้ถึงความดับของเจ้าเหตุของความทุกข์คือตัณหานี้ เป็นสิ่งที่ควรทําให้เจริญคํานี้ได้พูดไว้ครั้งแรกที่ปาอิสิปตนะมฤุขถยวันเป็นธรรมะเป็นธรรมโมที่เราควรจะต้องทําให้มากๆแต่ถ้าเราคิดว่าไม่ใช่ฉันทําบุญแค่นี้ก็พอแล้วนะ่ะแต่ฉันปฏิบัติแค่นี้ก็พอแล้วนะ่ะหรือว่าท้อแท้ท้อถอยทําไมทําไม่ได้หมดกําลังใจอันนั้นเขาเรียกธรรมโมอันนั้นเขาเรียกธรรมยังไม่ถึงทํายังไม่ได้ทํายังไม่ดี แต่คนที่สามารถที่จะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่ถอยกลับในการทำความเปลี่ยนคนที่เป็นอย่างนี้คือมีธรรมโมอยู่ในใจเพราะเป็นสิ่งที่โพธิสัตว์ได้ตั้งเอาไว้กระทำเอาไว้คนที่เป็นมหาสัตว์เป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่มีกำลังใจมีกำลังจิตตั้งเอาไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับไม่สาเร็จก็ไม่เลิกกลางกัน ถ้าจิตใจยังไม่ปราศจากตัณหาอย่างเหนียวยังไม่ปราศจากความมืดความบอดก็จะไม่หยุดในการที่จะตั้งไว้ซึ่งความเพียรในการเจริญเรื่องสิ่งที่เป็นกุศลศีล ส, สมาธิปัญญาธรรมไว้ไม่หยุดยั้งไม่หยุดหย่อนไม่มีเวลาพักนอนก็ยังตื่นอยู่ด้วยอํานาจของสติเวลาพูดคุยก็ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดโกหกเพื่ อ, องเพื่อหัวรักกันเล่นแต่มีสติกํากับควบคุมเอไว้รู้ว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ควรละ แล้วไม่รู้จากอิ่มจากพอในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่ถอยกลับในการทำความเปลี่ยนเป็นผู้ที่ขวนขวายหาวิธีการในการที่จะทรงจิตยังไงให้อยู่ในทางทางนี้แหละท่านผู้ฟังคือทางที่ให้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์คือเรื่องของปัญญาเรื่องของศีลและเรื่องของจิตรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรต้องทาให้มากๆพัฒนาทดลองทาดูว่าจิตของเราทายังไงถึงจะตั้งอยู่ได้ ไม่มีสติอยู่ได้มีกําลังใจอยู่ได้แต่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจคนอื่นเขาโกงเ้าด่าเขาว่าเอ้เราจะทรงจิตของเรากายของเราให้เป็นกุศลได้อย่างไรการที่เราจะพัฒนาปรับปรุงทําให้เกิดมีทําให้ตั้งขึ้นได้มากก็ตามน้อยก็ตามถ้ามีน้อยก็พยายามพัฒนาให้มันมีมากขึ้นมีมากอยู่แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นตรงนี้แหละทตำฝั่งก็เรียกว่าไม่รู้จักยิม ไม่รู้จักพอไม่ใช่ว่ามีมากแล้วก็หยุดพอแล้วแค่นี้นั่นยังไม่เรีกเห็นธรรมยังไม่เรีกธรรมโมแต่คนที่มีธรรมโมแล้วก็จะเหมือนกับม้าอาชาในแต่ที่จะพลอยเพ่งอยู่ว่าวันนี้ผู้ฝึกมา้าครูฝึกของเราจะสอนอยังไงเราจะตอบสนองยังไงเราจะทํายังไงให้ดีขึ้นเราจะทำยงไงไม่ให้ถูกลงโทษไม่ให้ถูกประตักเพราะว่าเห็นโทษคือประตักนั้นเป็นเหมือนกับเสียดจัดไร เห็นสิ่งที่จะมีความอยากความดิ้นรนความแผดเผาสิ่งที่เป็นอกุศลราคาโตสะเกิดขึ้นในใจเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงแต่เห็นผลของความที่จะปฏิบัติ ด, ดีความที่จะปฏิบัติชอบว่า น, นั้นเป็นรางวัลเป็นกําไรในจิตในใจของเราเห็นผลคือเรื่องของศีลว่าถ้าแปลว่าเรามีศีลศีลก็รักษาเรากายวาจาเรารักษาศีลศีลน่ะรักษาใจของเรารักษาใจของเราให้มีสมาธิ มีสมาธิเกิดขึ้นสมาธินั่นแหละรักษาปัญญาของเรารักษาปัญญาของเราให้มีความรู้ให้มีความแจ่มแจ้งค่อยพัฒนาไปมีน้อยก็พัฒนาให้มีมากขึ้นมีมากแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเจริญขึ้นอริยสัจคือทางดาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกนี่เป็นสิ่งที่ควรทาให้เจริญคือควรพัฒนาทาให้มันมากๆทําให้เกิดมี แต่ถ้าต้องการมากๆอยากมีมากๆแล้วอ้อนวอนขอร้องเอาไอการอ้อนวอนการขอร้องนั้นก็ไม่ใช่ธรรมโมมันเป็นการ th amo. Th amo. ทําเมาทํำมั่วทํายังไม่ถึงเป็นการอ้อนวอนขอร้องคิดว่ามันจะอ้อนวอนแล้วก็ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เราทําด้วยใจของเราที่มีความเข้มแข็งมีความห้าหานทําในใจของเราในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เป็นธรรมโม หรือว่าถ้าเราเห็นคนที่เขาไปปฏิบัติธรรมกันนั่งสมาธิเจริญภาวนาให้ทานรักษาศีลทำความดีที่นั้นตรงนั้นตรงนี้อย่างเป็นรูปแบบแต่บางคนไปวัดปฏิบัติธรรมเจ็วันบ้างสิบวันบ้างหรือกว่านั้นบ้างบางคนไปถือศีลที่วัดบางคนบวชบรรพชาวบวชสมบท์แตเห็นคนเขาทำความดีที่เป็นรูปแบบในลักษณะต่างๆเหล่านั้นบางคนเป็นอย่างนี้จะไปฟัง มีความคิดว่าโอ้ฉันยังทําไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้ยังมีภาระมากอยู่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวผัวเดี๋ยวเมียเดี๋ยวเพื่อนบ้านเดี๋ยวพ่อแม่อีกเอาพอลูกมันโตไปแล้วก็ยังหลานอีกอ ย, ยังไม่ว่างหรอกยังยังไม่ทําแต่หรือทําก็ทํานิดนิดหน่อยหน่อยตรงนี้เ น, นี่ย น, นั่นเขาก็เรียกว่ายังไม่ทําโมจริงๆนะบังยังไม่เข้าใจว่าแม้การที่เราอยู่ที่บ้านนี่ก็ตามเดอกการที่เราอยู่ที่บ้าน เราก็สามารถเจริญมรรคแบดได้เราก็สามารถทำสิ่งที่เราเป็นศีลสมาธิปัญญาให้เกิดกันได้โดยเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นคนที่เขาทำความดีเราก็ยินดีอนุโมทนาด้วยยินดีอนุโมทนาด้วยจิตที่เป็นมุติตาจิตที่เป็นแบบนี้ก็มีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอะไรดีควรอ น, นุโมทนาควรแสดงความยินดีด้วยรู้ว่าอะไรไม่ดีน่ยไม่ควรจะเข้าไป้องแวะก็ไม่ต้องเข้าไปกองแวกด้วยเป็นสัมมาทิฏฐิ สติที่เราตั้งขึ้นเอาไว้ว่าเออคนนี้ทําไม่ดีคนนี้ทํา ด, นนดีเรายินดีกับคนที่ทําดีอันนี้ต้องอาศัยการระลึกที่ถูกต้องระลึกถึงสิ่งที่ดีระลึกถึงสิ่งที่งามอยู่ตลอดเวลาคนที่ระลึกได้อย่างนี้ก็มีสัมมาสติอยู่ในใจของเราอยู่แล้วและการกระทําจิตของเราให้มันถูกต้องเนี่ยว่าเอางั้นฉันจะตั้งจิตของฉันเอาไว้ไม่ให้มันลิงโลดผาดพ้นไปในส่วนที่เป็นความคิดที่ไม่ดี แต่มันตั้งอยู่อย่างแน่วแน่ในจุดที่มันจะเป็นความคิดที่ดีไอการตั้งจิตไว้อย่างนี้นั่ก็ชื่อว่ามีสัมมาสังคัปปะมีความเลิกชอบมีความดําริชอบแต่เพราะว่าจิตที่ไม่ไปคิดพยาบาทไม่ไปคิดเบียดเบียนแม้แต่คนที่ทําไม่ดีกับเราแต่จิตที่มีความเมตตามีความอุเบกขาแม้แต่คนที่ทําไม่ดีกับเราเนี่ยจิตแบบเนี้เราเรียกว่าเป็นจิตที่มีความดําริชอบมีสติด้วย มีความพยายามที่ถูกต้องด้วยมีความเปลี่ยนชอบด้วยเพราะว่าการที่เราจะพยายามที่จะไม่ให้จิตของเรามันลิงโลดผาดโผนไปในสิ่งที่เป็นการพยาบาเมียดเบี้ยนความคิดชั่วคิดบาปคิดร้ายซึ่งแน่นอนแหละถ้าจิตมันคิดเดี๋ยวมือเดี๋ยวปากมันก็ไปตามควบคุมจิตให้ได้เนี่ยไม่ให้ไปในทางนั้นตั้งจิตไวให้ดีไม่ให้มันลิงโลดผาดโผนไปในด้านที่เป็นอกุศลแต่มันตั้งไว้อยู่อย่างแน่วแน่มั่นคง ในสิ่งที่เป็นกุศลในความคิดที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยกามไม่มีความพยาบามมีความเมตตามีอุเบกขาไม่ได้เป็นไปในการเบียดเบียนแต่มีจิตใจโอบ อ, อมารีความคิดนึกความนาริความระลึกอย่างนี้ก็เป็นผลของการที่เราทําจริงแน่วแน่จริงตั้งความเพียรเอาไว้ในครั้งที่จะทําสิ่งที่มันดีๆนะ่ะให้เกิดขึ้นในใจอันนี้มีธรรมโหมดังยังไม่ต้องไปวัดก็ได้จะไปวัดหรืออยู่ที่บ้าน ก็มีทำโมได้เพราะมีการทำจริงแน่วแน่จริงโอกาสของแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันบางคนก็คิดว่าพยายามจะสร้างโอกาสฐานะให้มันเท่ากันของแต่ละคนมันจะไปเท่ากันได้ไงบุญคนละไม่เท่ากันอย่าพูดโม่ๆคนเราสร้างบุญมันถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ละคนมีโอกาสมีฐานะแตกต่างกันไปอาจจะมีโอกาสไปวัดไปปฏิบัติธรรมได้ก็ดีถ้าไม่มีโอกาสอย่างนั้นทําเลยเดี๋ยวนี้ที่บ้านให้เห็นธรรมะ อย่าไปท้อแท้ท้อถอยว่าฉันทําไม่ได้หรือไม่ได้ทําแต่เพราะเราทําได้โดยการได้ทําได้ทําสิ่งที่ดีที่งามในใจของเรามีการตั้งจิตไว้อยู่อย่างถูกต้องนั่นก็เป็นสัมมาสติมีการทําจริงแน่แน่จริงอยู่อย่างดีนั่นก็เป็นสัมมาบายามะความคิดที่ไม่เบียดเบียนเขาไม่พยาบาทกับเขานั่นก็เป็นสัมมาสังกัปปะเรารู้นี่ว่าอะไรถูกอะไรชั่วอะไรผิดอะไรดีนั่นก็เป็นสัมมาทิฏฐิ ทำไปทำไปจิตที่มีอกุศลธรรมน้อยลงมีกุศลธรรมมากยิ่งขึ้นมากขึ้นมันก็มีปีติและปราโมทอันเกิดขึ้นจากธรรมธรรมะที่ดีๆนะท่านฟังธรรมะที่ดีๆรู้ว่าอันนี้ควรละอันนี้ควรเสพรู้ว่าอันนี้ควรทําให้เจริญอันนี้ควรทําให้แจงเรารู้เราทําอย่างนี้มีปีติและปราโมทอันเกิดขึ้นจากธรรมะอย่างนี้แล้วใจมันจะสงบระงับ กายก็สงบระ ง, งับด้วยกายที่สงบระ ง, งับใจที่สงบระ ง, งับนั่นแหละเป็นปัสสธิคือเป็นความสงบระ ง, งับชนิดที่จะทําให้จิตนั้นพร้อมแก่การตรัสรู้ธรรมคนที่มีความสงบระ ง, งับในใจมีความสงบระ ง, งับทางกายมีอะไรมากระทบแล้วก็นิ่งเฉย อ, อยู่ได้มีความสุขอยู่ในภายในความสุขความสงบตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกถึงระดับของสมาธินั่นเอง สัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นตรงนั้นเป็นสมาธิชนิดที่จอแล้วทำให้จิตนั้นพร้อมแล้วต่อการตรัสรู้ธรรมเป็นสมาธิสัมโพชงด้วยเป็นสัมมาสมาธิด้วยอยู่ในใจของเรานี่แหละอยู่ที่บ้านนั่นแหละอยู่ในใจของเราเนี่แหละอยู่หน้าวิทยุเนี่แหละได้ฟังเสียงนี้อยู่เดินอยู่ทำกับข้าวอยู่หรือทำอะไรอยู่ก็ตามจิตเป็นอารมณ์เดียได้กายสงบระ ง, งับได้ มีสติไม่ลืมลงได้นั่นแหละธรรมโมธรรมโมธรรมโมอยู่ในใจของเราคนที่มีจิตเป็นอารมณ์เดียวตั้งมั่นไว้อย่างนี้เวลามีสิ่งใดมากระรบจะเป็นเสียงจากภายนอกเพื่อนบ้านทําเสียงนั้นเสียงนี้เกิดขึ้นจะเป็นสัมผัสใดใ ด, ดที่เกิดขึ้นในห้องในที่อยู่ของเราสูบบ้างทุบบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างสัมผัสต่ตางๆเหล่านั้นที่มากระทบกายกระทบใจของเราเราจะวางเฉยนิ่งเฉย ในสัมปัตตเหล่านั้นได้เพราะความที่เราจดจ่อไว้มีสติตัต้งเอาไว้กับจิตที่เป็นอารมณ์อันเดียวนี้ไอ้ความที่เรานิ่งเฉยวางเฉยในสัมปัตตต่างๆที่มากระทบแล้วนิ่งเฉยแล้ววางเฉยได้นี่แหละความนิ่งเฉยความวางเฉยนั้นเขาเรียกว่าเป็นอุเบกขาเป็นความนิ่งเฉยความวางเฉยที่เรียกว่าเป็นอุเบกขาคือความนิ่งเฉยความวางเฉยที่จะทําให้จิตของเรานั้นพร้อมแล้วที่จะมีธรรมะธรมโมเกิดขึ้นในจิต จริงๆแล้วอุเบกขานี่แหละเป็นธรรมะเป็นธรรมโมที่ควรที่จะทําไว้ในใจให้มันมากๆทําให้มันเกิดมีมอยู่บ่อยๆทําให้เจริญทําให้มากอยู่เรื่อยๆทําให้มันตลอดทั้งวันทําทั้งเวลาเช้ากลางวันด้วยเย็นด้วยทําทั้งก่อนกินข้าวด้วยหลังอาหารด้วยทําทั้งก่อนพูดด้วยหลังพูดด้วยทําทั้งก่อนนอนด้วยทําทั้งหลังตื่นด้วยถ้าหลังนอนและก่อนตื่นทําด้วยก็ยิ่งดีเพราะมันหลับมันก็มีสติได้ ก่อนที่เราจะนอนก่อนที่เราจะหลับไปแต่ก็น้อมจิตไปเพื่อที่จะไม่ให้บาปอากุศลทั้งหลายครอบงาําจิตของเราผู้นอนอยู่อย่างนี้ก็นอนก็มีสติได้เตยมาแล้วรู้สึกตัวแล้วก็ตั้งสติไว้ไม่ลืมหลงมีธรรมโมอยู่ในใจบางคนถึงกับเอาคํานี้มาท่องไว้ธรรมโมธรรมโมธรรมโมเอาพุโทโธด้วยเอาพุโทโธพุโทโธพุโทโธธรรมโมด้วยเอาสังโฆด้วยแต่ท่องเอาไว้ในใจเพื่อที่จะให้มีสติไม่ลืมหลง ทำได้ทั้งฝั่งทำได้ถ้าบอกว่าจิตเรามีสติตั้งมั่นเอาไว้อย่างที่ว่ามานี้จะเป็นผู้ที่สามารถมีธรรมโมมีธรรมะเกิดขึ้นในใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสติปัฏฐานสีการทําความเพียรคือสมบัติฐานสีคือการทําความเพียรการทําจริงแ น, แน่แน่จริงให้มันได้ให้มันถูกเจออุปสรรคปัญหาใดใดก็พยายามแก้ไขทรงจิตให้ได้แด้วยฉันทะวิริยะจิตตวิมังษานั่นคืออิธิบาทสี 4. มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นพยายามทําจิตให้มีกําลังส่งไว้ซึ่งพละส่งไว้ซึ่งอินสีนั่นคือพละห้าอินสีห้าคนที่มีกําลังมีพลังใจอย่างนี้ไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยทำจริงแน่แ น, แ น, แน่จริงแล้วก็ทาโพชงเจตให้เกิดขึ้นได้มีโพชงเจตแล้วแนว่นอนตระวังทั้งหมดนี่แหละรวมลงในอริยมรตมีองค์8ในธรรมะไว้ในนี้ ในคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ในธรรมโมนี้มีสิ่งที่มีความอัศจรรย์มากมายท่านผู้ฟังพระพุทเจ้ายืนยันให้ได้เราเห็นภิกษุรูปไหนบวชตายคาผ้าเหลืองให้มั่นใจเลยให้มั่นใจเล ย, เลยว่านี่แหละคือพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วให้มั่นใจเลยว่าในธรรมะวันใดนี้มีของดีเหมือนอนัญมณีอยู่มากมายหลายอย่างเป็นทรัพย์เป็นสินทรัพย์ เป็นอริยศัพท์ที่เราสามารถหยิบฉวยจับเอาไปใช้ได้ให้ทรงธรรมไว้ในใจมีธรรมโมยอยู่ในใจสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นกุณฑธรรมคือสติกุณธรรมคือศีลกุณธรรมเรื่องของวาจาเรื่องของการคิดให้มันถูกให้มันดีเรื่องของเมตตากรุณาเรื่องของการที่ให้มีความอ่อนน้อมทำต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นขุมสมบัติดีพระพุทธเจ้า ทิ้งไว้เป็นธรรมะให้เราได้ใช้ให้เป็นทายาตรับมรดกนี้โดยธรรมเป็นธรรมธายาตันั้นว่งอย่าเป็นทายาททางอามิธทางสิ่งของเลยแต่ถ้าคิดว่าเราจะเก็บอัติธาตุของพระพุทธเจ้าไว้เป็นสิ่งของที่ควรบูชาอันนั้นก็ดีอันนั้นก็เป็นอามิสทายาตอยู่แต่เห็นพระธาตุเห็นอัติธาตุเห็นสิ่งใดๆก็ตามให้เห็นแทงตลอดเข้าไปจนถึงธรรมะจนถึงตรรมโมที่อยู่ข้างในได้ เป็นธรรมโมธรรมโมธรรมโมได้ธรรมโมคือธรรมะไม่ได้อยู่ในหนังสือหรือแผ่นซีดีใดๆธรรมโมคือธรรมะไม่ได้อยู่ในตู้ปฏิปปิฎกธรรมโมคือธรรมะไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าแต่ธรรมโมคือธรรมะอยู่ในใจของเราเราจะบอกว่าในตู้ปฏิปปิฎกหรือว่าในพระพุทธเจ้าไม่มีธรรมะก็ไม่ได้หรอกเพราะนั้นก็เป็นธรรมะของท่านเป็นธรรมะของท่านที่ท่านรู้แล้วท่านเขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้ ต่อๆกันมาเป็นรุ่นอยู่ในตู้พระติปิดกบ้างอยู่ในหนังสือครูบาอาจารย์องค์ไหนเทศาว้ายก็เก็บไว้ในซีดีนั่นก็เป็นธรรมะของท่านเหล่านั้นเหล่านั้นเหล่านั้นแต่ธรรมะของเราอยู่ไหนอยู่ในใจเรานั่นเองเป็นธรรมโมธรรมโมธรรมโมเฉริญบาน